สวัสดีครับผมอยากมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่เคยสัมผัสมาด้วยตัวเองจากญาติพี่น้องและคนรู้จักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลบุคคลหนึ่งที่มีชื่อว่าปูม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับปูม่มีบางเรื่องออกจัดแปลกๆถึงกับไม่น่าเชื่ออยู่บ้างเพราะว่าแกเป็นสปรเรือนั่นเองครับและอยากจะให้ทุกท่านรับฟังด้วยวิจารณญาณหากท่านคิดว่าเรื่องเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือก็ขอให้รับฟังเอาเฉพาะความบันเทิงก็เพียง และเรื่องราวของปู่มีที่ว่ามานี้มีอยู่ค่อนข้างมากผมจะนํามาเล่าเท่าที่จำได้และสมควรที่จะเล่าเพื่อไม่ให้กระทบบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะไม่ประติดประต่อกันนะครับผมจะพยายามนําเรื่องที่ผมจำได้มาเล่าให้ฟังก่อนเหตุผลที่นําเรื่องของปู่มีมาเล่านั้นก็เพราะว่าผมทราบว่าแกเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ 2-3 ปีก่อนและแกเป็นผู้มีบุญคุณกับผมอยู่พอสมควร โดยสถานที่ที่จะนำมาเล่านี้เป็นวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับเรื่องแรกแกอายุเท่าไหร่กันแน่ย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วตอนนั้นผมอายุประมาณ10กว่าปีได้ครับแต่ก็พอจำความอะไรได้บ้างผมอาศัยอยู่กับยายที่โครวราชเพราะว่าพ่อกับแม่ของผมนำมาฝากไว้แล้วท่านทั้งสองก็เข้าไปทางานในกรุงเทพ ยายผมเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญตัวผมเองเวลาว่างหรือมีวันหยุดที่ไม่ได้ไปโรงเรียนผมก็มักจะตามยายไปช่วยงานหรือว่าเข้าไปเล่นในวัดอยู่บ่อยๆสำหรับปู่มีเจ้าของเรื่องนี้แกไปสับ ป, ปะเล อ, อยู่ที่วัดนั้นมาก็นานแล้วและในวัดนี้จะมีพระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตาสีท่านเป็นพระพี่ชายของปู่มีครับและเป็นพระลูกวัดอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระเนนเด็กวัด จนไปถึงเจ้าอาวาสต่างก็เคารพหลวงตาสีและปู่มีทุกคนเพราะว่าท่านทั้งสองอยู่วัดนี้มานานเรื่องแปลกเรื่องแรกที่น่าสงสัยก็คือผมเคยถามยายว่าหลวงตาสีทําไมถึงเป็นพี่ชายของปูม่มีเพราะว่าหลวงตาสีท่านยังหัวไม่หงอกแต่ว่าคิ้วขาวและท่าทางยังดูหนุ่มต่างจากปูม่มีที่ผมสั้นและหัวขาวโพลนคิ้วก็หงอกหลังคอม น, นิ ด, นด อายุน่าจะประมาณ70ปีแต่ก็ยังแข็งแรงนะครับแกมีรอยสักเต็มตัวแต่ก็มองไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรมองไกลๆเหมือนคนเป็นปานมากกว่าเพราะว่าหนังแกเหี่ยวย่นทั้งหลวงตาและทั้งปูม่มีเขียวหมากฟันดำปีเลยครับเมื่อผมถามไปยายก็ตอบผมกลับมาว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าหลวงตาเป็นพี่ชายของปู่มีกูก็เรียกปู่มีปู่มีตามคนอื่น ก็เขาก็เรียกกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วตอนกูเป็นเด็กหลวงตากับปู่มีก็อยู่ที่นี่กันมาก่อนแล้วหน้าตาแกสอคนก็บแบบนี้แหละด้วยความเป็นเด็กถามแล้วผมก็ลืมไปแต่พอมาคิดตอนนี้มันก็น่าแปลกใจอยู่เนื่องจากว่าตอนที่ยายผมพูดแกอายุ60สกว่าปีแล้วถ้าบวกอายุยายทบเข้าไปหลวงตาสีกับปูม่มีน่าจะอายุเกินร้อปีแล้วละครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่บางคน ก็ยกมือไหว้หลวงตาสีกับปู่มีด้วยซ้ำไปทั้งๆ ท, ท, ที่คนแก่พวกนั้นดูแก่กว่าทั้งสองคนมากไหว้หลวงตามไม่แปลกหรอกครับแต่ไหว้ปู่มีเนี่ยผมเริ่มสงสยัยและก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งซึ่งผมเอามาถามยายยายอาจจะโกหกผมก็ได้แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะแกเข้าวัดอยู่เป็นประจำทุกวันพระก็นุ่งขาวห่มขาวมาตลอดเรื่องแปลกเรื่องที่สองผมขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า ผู้เทายกทนซุงก็แล้วกันครับมีอยู่วันหนึ่งซึ่งเป็นวันหยุดซึ่งผมไม่ได้ไปโรงเรียนผมก็ตามยายเข้าไปเล่นในวัดเหมือนอย่างเคยที่วัดมีงานผู้ใหญ่ต่างก็มาช่วยกันเต็มสาราหอฉันส่วนผมก็ไปเล่นอยู่หลังวัดกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเด็กวัดชื่อว่าไอ้โทนวันนั้นเราปีนต้นไม้เล่นกันครับแถวๆนั้นจะมีกองไม้ของวัดกองอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทนสุงต่างๆหรือไม้เศษไม้อะไรพวกนี้ ปู่มีก็เกณฑ์คนหนุ่มมาช่วยกันขนไม้กองนั้นไปที่หนองน้ําของวัดเพื่อที่จะทําแพรต่อทําศาลาท่าน้ําครับผมกับไอ้โทนปีนเล่นอยู่บนต้นตะขบจนประมาณเกือบเที่ยงคนหนุ่มหนุ่มที่มาช่วยเขาก็กลับไปศาลาหอฉันเพื่อจะไปกินข้าวเที่ยงแต่ยังเหลือไม้ที่จะต้องขนอยู่มากผมเห็นปู่มีแกรอจนคนไปหมดแกก็หันซ้ายหันขวาก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วแต่แกคงไม่เห็นว่าผมกับไอ้โทนอยู่บนต้นไม้ จากนั้นแกก็จัดการแบกท่อนซุงขนาดเสาสาราสองเสาใส่บาซ้ายกับบาขวาเดินไปที่ท่าน้ำอย่างสบายทำเอาผมตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเสานั้นผมเห็นว่าคนหนุ่มๆช่วยกันแบกถึง4ี่หคนต่อนหนึ่งเสาเลยทีเดียวแกแบกอยู่สองเที่ยวรวมแล้วก็สี่เสาด้วยกันแล้วก็หยุดพักทั้งๆที่สภาพปกติของแกนั้นไม่น่าจะยกท่อนไม้อยู่ขาขึ้นสักท่อนเลยด้วยซ้าไปแต่ไอ้ทวนมันก็เฉยๆครับ ไม่ได้ตกใจอะไรมันคงเคยเห็นปู่มีทําแบบนี้มาบ้างแล้วละมัง้งนี่ก็เป็นเรื่องแปลกในฐานะคนแก่ของปูม่มีแล้วยังมีเรื่องแปลกในฐานะสั ป, ปเหร่ของแก่อีกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> และเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ <c oughs> เป็นเรื่องที่ทําให้พวกเราอกสั่นขวัญหายวาหวัดผวากันเป็นแถบ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตาเผาศพสร้างใหม่ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยผมจาได้ครับสาหรับวัดที่ผมเข้าไปกับยายอยู่บ่อยๆนั้นเริ่มแรกเดิมทีวัดจะออกห่างไปจากชุมชนสักหน่อยหลังวัดจะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ตามที่เล่าไว้ข้างต้นซึ่งหนองน้ํานี้เอาไว้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นลอยกระทงเลี้ยงปลาปล่อยเต่าของวัดเป็นต้น เลยหนองน้ํานี้ไปหน่อยก็จะเป็นป่าช้าครับที่เอาไว้ใช้ฝังศพคนรุ่นก่อนๆแต่ก็ไม่มีศพมาฝังมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่มันเต็มศพเดิมๆที่มีอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษก็เยอะพอสมควรถ้าเกิดว่ามองผ่านๆเนี่ยมันก็เหมือนป่าร้างหลังวัดธรรมดาแต่ก็ยังมีร่องรอยของอารยธรรมของหลุมฝังศพให้เห็นอยู่บ้างหลังป่าช้ามีรั้ววัดล้อมรอบทุกด้านแต่สภาพพังเกือบ 80% บางช่วงก็ขาดหายไปแต่ก็พอมองออกก็เป็นเขตของวัดปู่มีอาศัยอยู่ที่ป่าช้าท้ายวัดนั่นแหละครับเป็นกุฏิไม้เก่าเดิมทีกุฏินั้นเป็นของหลวงตาสีอาศัยอยู่สองคนกับปูม่มีพอนานวันเข้าจเจ้าอาวาสก็มาขอร้องให้หลวงตาเข้าไปอยู่ในกุฏิในเขตของสงฆ์ที่อยู่ใจกลางวัดเพราะจะได้ช่วยอบรมพระอบรมเนนที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะหลวงตาท่านเป็นคนค่อนข้างดุและเข้มงวด เหมือนกับว่าใครคิดอะไรทำอะไรท่านจะรู้ร่วงหน้าเดาทางจับทางได้ทุกทีพระเนนใหม่ๆจึงกลัวท่านเหมือนหนูกลัวแมวปู่มีก็เลยได้อยู่กุฏิหลังนั้นเพียงคนเดียวไม่ห่างจากที่อาศัยของปู่มีมากนักเป็นเตาเผาศพเก่าสภาพทุลักทุเลเต็มทนลักษณะเป็นเหมือนเชิงตะกรนใครตายมาสวดสมวันเจวันก็ามาเผาที่เตานี้ไม่นานนัก ก็มีการสร้างเมรุหลังใหม่ขึ้นมาแทนการเผาด้วยเชียงตะกอนอันเดิมยายเล่าว่ามีคนมาช่วยทอดพระป่าเลยได้เงินโข ổ. ทางวัดไม่มีคนดูแลเรื่องเงินจึงต้องรีบสร้างรีบพัฒนาให้เงินมันหมดหมดไปเนื่องจากพระในวัดไม่มีใครกล้า พ, พูดเรื่องเงินเรื่องทองไม่มีใครสะสมแม้แต่รูปเดียวต่างจากพระสมัยนี้อยู่พอสมควรที่มีเงินมีทองจับใจ่ายใช้สอยกันอยู่บ้าง มูลเหตุของความสยองวันนั้นที่ผมเห็นกับตามันก็มาจากการสร้างเมรุหลังใหม่นี่แหละครับไม่รู้ว่าเงินเหลือหรือยอย่างไรเมรุที่สร้างออกมาสวยพอสมควรเลยเป็นเตาคู่2เตาปากปล่องที่ปล่อยควันจากเมรุเผาศพสูงประมาณ 5.6 ชั้นเห็นจะได้ความรู้สึกในวัยเด็กของผมตอนนั้นบอกเลยว่าปล่องมันสูงมากๆพอสร้างเสร็จทาสียังไม่ทันแห้งดีเลยก็มีคนตายมาประเดิมใช้ คนตายคนนั้นแกคือพี่ไม้เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านอายุประมาณ20ปีนิสัยของพี่แกก็ออกจะนักเรียนอยู่พอสมควรเห็นว่าเข้าไปทำธุระในเมืองไปมีเรื่องแล้วก็หนีเข้ามาแล้วเขาก็ขับรถไล่ชนจนตายเท่าที่ผมจำได้นะครับพอแกเสียชีวิตญาติๆแกก็นำเอาศพมาไว้ที่วัดสักประมาณ4ี่โมงเย็นวันนั้นผมเลิกเรียนตามปกติครับแล้วก็ไปหายายที่วัด เพราะยายก็จะอยู่กับกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ที่มาช่วยงานที่วัดทั้งวันกูปูมีนี่แหละครับเป็นคนที่ทําศพเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้นั่งดูเขาทําศพสภาพศพเนี่ยยับเยินมากแต่ก็ไม่ถึงกับอุจารเท่าไหร่ปู่มีก็จัดการว่าคาถาอะไรไปตามเรื่องทีนี้มาถึงขั้นตอนการมัดตราสังของศพพี่ไม้ปู่มีจะมัดห่วงไปที่คอมือแล้วก็เท้าตามลําดับครับพอมัดไปที่เท้าของศพปรากฏว่า ห่วงที่มือดันขาดพอย้อนกลับไปมัดที่มือที่คอก็ดันขาดกลับไปมัดที่คอที่เท้าก็ขาดอาจเป็นเพราะปู่มีแกมัดตึงเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าให้ผมคิดตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ก็เป็นแบบนี้ประมาณสี่ถึงห้ารอบได้เปลี่ยนได้เป็นมัดมัดเป็นม้วนๆเลยจนปู่มีแกชักจะเกิดโมโหตวาดศพไปว่าไอ้นุ่มกูชักจะไม่ไหวแล้วนะ ถ้ามึงยังคืนอยู่ไม่นิ่งเนี่ยกูจะพันมึงทั้งตังตวแล้วยดน้ําหลังวัดให้ปลากินเลยนะเวย้ยจะห า, าว่ากูไม่เตือนเท่านั้นแหละครับศพพร้ไม้กระเด้งขึ้นมาในท่านั่งทันทีปู่ก็ตอบโต้ทันควันด้วยการเอาผ้าเของม้าที่พาดอยู่บนบาดตีเข้าไปที่หน้าของศพศพที่เด้งขึ้นมาก็เลยนอนกลับลงไปทุกคนที่เห็นใจคอเลื่อนไม่ดีเท่าไหร่นักจากนั้นปู่ก็มัดตาสางจนเสร็จก็ให้ผู้ชายช่วยกันยกศพลงลง ศพพี่ไม้ก็ไม่ยอมลงโล่งอีกครับท่อนแขนบริเวณข้อศอกก็อ้าออกทำให้ศพลงไปอยู่ในโลงไม่ได้ปู่แกก็จับหักแขนเลยครับหักทั้งสองข้างเลยเสียงดังป๊อกดังลั่นทั้งศาลาเลยและแกก็พูดว่าเออวางง่ายๆอย่างนี้สิใบหน้าแกตอนนี้ไม่ได้ยิ้มแย้มแล้วก็ใจดีเหมือนปกติแต่แสดงออกไปทางหุดห ง, งิดพอสมควรพอพี่ไม้สังเกตเห็นจึงยกมือไหว้ปู่แล้วก็บอกว่า โอ้ยปู่เอ้ยสงสารลูกหลานมันน้อยอย่าทำมันแรงนักเลยกิติศั์ความสนของพี่ไม้ก็นับว่าเอาเรื่องอยู่ระหว่างเจ็วันที่สวดศพขาวว่าแกไปหาคนนั้นทีคนนี้ทีไปหลอกไปแกล้งคนอื่นเพราะนิสัยส่วนตัวเป็นคนชอบแกล้งถึงเนื้อถึงตัวและคนที่โดนหนักที่สุดก็น่าจะเป็นพ่อของพี่ไม้เองแกเล่าว่าปกติแกจะกลับบ้านตอนด็กๆ พี่ไม้แกจะชอบแอบที่ประตูรั้วแล้วก็โผล่มาจ้าเอ๋พ่อแกตลอดวันที่3ที่พี่ไม้ตายพ่อแกก็กลับบ้านดึกแกกลัวว่าลูกชายจะโผล่มาเหมือนอย่างเคยแกเล็กงเชี่ยงชุนมาจนหน้าตึงแกจูงจั ก, กรยานพอเข้าเขตประตูรั้วบ้านแกก็หลับตาปีพกกลัวผีลูกชายแต่ก็ไม่เจอแต่พอแกหันหลังกลับไปจะไปปิดประตูรัว้วก็เจอพี่ไม้กระโดดมาแห่เต็มๆสภาพที่เห็นตอนนั้นเหมือนกับตอนที่เอาลงลงไปเลยไม่มีผิด แขนหักกล่องแรล่งทั้งสองข้างหน้าตายับเยินพอพี่ไม้แกว่าฉันนอนสลบอยู่หน้าบ้านจนเช้าเลยและจุดคลายแม็กของเรื่องก็มาถึงซึ่งก็คือวันเผานี่แหละครับวันนั้นเผาประมาณน่าจะสัก5้าโมงเย็นเห็นจะได้ตามปกติแล้วเผาเชิงตะกอนชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเกือบทั้งหมู่บ้านแต่คราวนี้พี่ไม้ไปศพแรกครับที่เผาเมรุที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ และด้วยความที่พี่แกไปหลอกหลอนคนไว้เยอะก็เลยไม่มีใครกล้ามาช่วยงานแกจะมีก็แค่ญาติสนิทและคนในวัดรวมๆกันก็แค่ประมาณ20บคนเท่านั้นเองผมจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมงานด้วยเนื่องจากว่ายายอยู่ที่นั่นเมื่อถึงเวลาเผาศพก็ยกลงศพลงจากศาลาไปที่เมรุญาติๆของพี่ไม้แกก็ช่วยกันยกยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้นจากสี่คนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสิบกว่าคนช่วยกันยกยกเท่าไรก็ยังยกไม่ขึ้น ปู่มีเก๊ก็เลยบอกไปว่าไอนมถึงเวลาต้องไปแล้วอย่าห่วงอะไรนักใครๆถึงเวลามันก็ต้องไปกันทางนั้นแต่จนแล้วจนลอดก็ยังยกไม่ขึ้นอยู่ดีครับปู่มีเกเลยกระโดดถีบลงที่ตั้งอยู่บนที่ตั้งศพความสูงก็ราวๆ2เมตรกว่าๆจากพื้นเป็นลงไม่อัดนะครับตอนแรกเกก็ทาท่าจะ ก, กระโดดถีบผมก็คิดว่าลงจะต้องแตกง่งว่าแล้วแก๊ก็กระโดดถีบแต่แปลกแฮะ ลงไม่ยักจะแตกแต่ที่แปลกกว่านั้นคือไม่มีเสียงลงกระทบพื้นเลยเหมือนโยนโทรศัพท์ลงบนผ้าห่มยังไงอย่างนั้นเมื่อเอาลงลงมาได้แล้วก็จัดการยกวนรอบเมลุขึ้นเตาเผาศพเริ่มเผาก็ประมาณ6โมงฟ้าสีแดงส้มๆไฟสลัวๆในวัดบรรยากาศน่ากลัวมากครับพี่ไม้ถูกยกเข้าเตาเผาแล้วก็เริ่มเผาศพทุกคนต่างก็ลงมารอด้านล่าง ควันเริ่มพวยพุ่งออกจากปากบ่องไม่นานครับก็ได้ยินเสียงหวยหวนไปทั่วบริเวณเลยไม่ไม่ไปเสียงนั้นก็คือเสียงพี่ไม้นั่นแหละครับมันดังออกมาจากเตาเผาศพทุกคนที่ได้ยินต่างอกสั่นขวัญหายถอยกรูออกจากเมลุยกเว้นปู่มีคนเดียวครับที่ยังอยู่ข้างบนสักพักแกก็วิ่งลงมาจากเมลุ แล้วก็มองขึ้นไปบนยอดปล่องควันทุกคนก็เลยพากันมองตามท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามดูนะครับฟ้าสีแดงส้มๆปล่องควันสีขาวสูงขึ้นไปตัดกับท้องฟ้าแล้วก็มีกิ่งไม้ยืนต้นบางอยู่บ้างนะครับเป็นก้านสีดำๆแต่มองเห็นปล่องไฟพอสมควรเลยควันก็กําลังพวยพุ่งออกมาแล้วภาพที่พวกเราเห็นนั่นก็คือเป็นเงาสีดำๆครับพยายามปีนออกมา เป็นรูปร่างของคนเลยนะครับตัวสีดําๆปีนกลับหัวลงมาจากปล่องไฟร่างนั้นออกลงมาเกือบครึ่งตัวพร้อมกับเสียงร้องไม่ไม่ไปฉันกลัวใช่แล้วครับไม่ต้องเดาก็ชัดก็พี่ไม้นั่นแหละครับเหมือนแกจะพยายามปีนหนีออกมาจากปล่องควันทุกคนก็กลัวกันลนลาน แต่ว่าถึงจะกลัวแค่ไหนทุกคนเหมือนถูกมนต์สะกดให้มองพีที่เงานั้นเงานั้นตะเกียกตะกายพยายามจะออกมาให้ได้พร้อมกับส่งเสียงหวยหวนเย็นยเยือกไปถึงขั้วหัวใจใจเต้นรัวจนมันแทบจะทะลุออกมานอกอกปู่แกเลยตะโกนบอกไปว่าไม่ได้การเว้ยไม่ได้การแล้วอย่างนี้แล้วแกก็วิ่งไปถอนหญ้าแล้วก็มามัดเป็น่อ น, อนเป็นแขนเป็นขาผมมองดูกไกลๆคล้ายๆหุ่นนะครับ แล้วแกก็ท่องอะไรไม่รู้งืมงามเงือมงามอยู่สักพักแล้วแกก็วิ่งกลับขึ้นไปบนเมรุแล้วแกก็เปิดเตาเผาศพอีกข้างหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแกก็ยโยนสิ่งนั้นนะเข้าไปในเตาแล้วแกก็วิ่งกลับลงมาดูข้างล่างทุกคนต่างก็มองจ้องไปที่เงาดํานั้นพ่อกับแม่พี่ไม้เริ่มร้องไห้ทุกอย่างดูสับสนโอลามานไปหมดครับตอนนั้นผ่านไปสักพักหนึ่งแค่นั้นแหละครับก็มีเงาดําเพิ่มเข้ามาอีกเงานึงตรงปล่องควันทุกคนต่างตกใจกันเป็นอย่างมาก แค่เงาพี่ไม้เงาเดียวก็ว่าแย่แล้วอันนี้ดันเพิ่มอีกเงาหนึ่งแต่ก่อนที่จะคิดอะไรไปเกินกว่านั้นทุกคนก็เห็นว่าเงานั้นพยายามลากพี่ไม้ดึงกลับลงไปในป่องยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่นานสุดท้ายก็ดึงพี่ไม้กลับลงไปในป่องจนได้พร้อมกับเสียงสุดท้ายของพี่ไม้ที่ดังขึ้นว่าฉันกลัวฉันกลัวแล้วเสียงก็เงียบหายไป เลือแต่เพียงกลุ่มควันที่ลอยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้าปู่มีบอกให้ทุกคนกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทําบุญไว้ให้พี่ไม้ทุกคนรีบวิ่งออกจากวัดไปเป็นกลุ่มๆไม่มีใครแยกกันเลยผมสาบานนะครับว่านี่เป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเรื่องราวของปู่มีส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องรับรองว่าน่ากลัวไม่แพ้กันแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามต่อในคลิปหน้านะครับ